ความเป็นจริงกรารภาวนานนในทางพุทธศาสนาทั้งสอนใานภรณราซึ่งกันและกันคือว่าได้ทำผิดพลาดประมาทในคณะสงฆ์เด็กกันก็ดีทั้งรับหน้าได้ต่อหน้าได้รับหลังโดยกายและวาจาใจจงเมตตาเอ็นดูกันตัดเตือนซึ่งกันและกัน เป็นการภาวน า, นาแทนอุโบสถสังกรรมเป็นการใหญ่ในการที่ภาวานาถึงกลัานแะกันการที่ฟังปฏิโมกการที่ว่าทิคาบทต่างๆที่ท่านที่ท่านสวดไปนั้นก็เป็นภาษาบาลีไม่รู้จักภาษีภาษาอะไรแล้วการภาวนานี่รู้สึกว่าย่อดีกว่า มีประโยชน์มากทีเดียวปีหนึ่งมีห น, หนึ่งการประวารณาแต่ว่าพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายที่นับถือพุทธศาสนาอนุโลมตามพระถึงวันนั้นมาการาสพร้อมเพียงทําบุญทานเข้าวัดเข้าวารักาโโษาศีลโปโหสดฟังเทศฟังธรรมที่จริงก็เพียงแต่เป็นเรื่องของพระดอกแต่ญาณโยมันโลมตามมันก็ดีเหมือนกัน มีประเพณีหลายอย่างวันออกพรรษาวันเข้าพรรษาวันมาฆบูชาวีสาะบูชาวันอาสานะเหล่านี้ล่ะเป็นระยะระยะปีหนึ่งมิสี่ห้าหนที่ทา ท, ที่การที่ใหญ่พุทธบุธูชาทั้งหลายที่พากันตั้งใจมาทำบุญนำทานและฟังเทศน์ฟงธรรมนั้น ความเป็นจริงนั่นการที่บัญญัดิไว้หลายอย่างหลายเรื่องตั้งแต่เข้าวรรษาออกวรรษาวันมาค้าเป็นต้นไปเป็นเหตุให้เราคิดเราพิจารณาถึงเรื่องอายุของตนมันดีตอนนี้อายุของตนนั่นมันเปลี่ยนแปลงไปยักย้ายไปทุกวันทุกวัน เอาขวัญษาไปออกขวัษานะก็เป็นสามเดือนเนี่นนนอายุชีวิตของเราเราก็มาพิจารณาถึงเรื่องโคมเป็นอยู่ของเรามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อนนั้นไปอีกไปถึงเดือนสามก็สามเดือนนี่แหละไปถึงเดือนหกไปถึงไอ้สาระเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปปีหนึ่งได้กำหนด รู้จักว่าเราได้กำหนดพิจารณาถึงจิตของตกอถึงไอ้กายของตนครบปีหนึ่งเราได้พิจารณามาณ า, นานสติถึงสี่ห้าครั้ง แ, แล้วมาพิจารณาดูตัวของเรามันเปลี่ยนไปยังไงตัวของเรามันแก่เท่าลงทุกวันหรือว่ามันหนุ่มลง การนมไม่มีหรอกมี่จะเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกวันการเปลี่ยนแปลงไปมันไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นนะมันเสื่อมสุขภาพไปทุกอย่างคนหนุ่มยังไม่ทันรู้เรื่องความเป็นความเปลี่ยนแปลงของคนนะมีได้เพลินสนุกสนานอยู่แต่คนแก่มันรู้สึกตัวตลอดเวลา คนอายุหกสิบขึ้ น, นไปแล้วรู้สึกตัวหรอมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างน้อยเท่าไหร่รู้สึกตัวทีเดียวเรื่อง เ, เหล่านี้เป็นเหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรานึกถึงความตายการเวลาที่ว่าไปนั้นสนะี 4, 5, 6, นะ่ห้าโหะปีหนึ่งนะแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันอย่างนี้เราจะได้รีบเร่งทำคุณงามความดี คนที่ประมาทอยู่มีตักเตือนในทังสามปีหนึ่งสี่หนสามสี่หนห้าหนนั่นไม่ในไม่พิจารณาเลยหรอกคนที่มีคนที่มีสติรู้ตัวอยู่ย่อมคำหนึ่งคิดถึงตัวของตนแล้วย่อมรีบเร่งทำคนงามความดีและขานี้ไม่ลึกไม่ คนที่ไม่ประมาทเลยไม่เป็นไม่เอาเป็นปัญหาเรื่องเรื่องกำหนดเวลานะั้นไม่เป็นปัญหาเลยมีแต่รีบเร่งทำคุณงามเพิ่มดีอยู่เรื่อยไปเหมือนกับบุคคลผู้ที่ทำงานคนขยันหมั่นเพียรแล้วนะ่ะตั้งหน้าตั้งตาทำไม่คำนึงคิดถึงวันคืนปีเดือนอะไรเรอกมีแต่ตั้งหน้าทำ ผู้ที่ขี้เกียจต่างหากผู้ขี้ค้านต่างหากอยากให้วันค่ำอยากให้มืดอยากให้ข้ามเร็วอยากให้หมดเดือนหมดปีไปง่ายๆโดยที่ไม่ได้ทำอะไรความประมาทเป็นอยู่อย่างนี้คนที่ไม่ประมาทแต่ไม่คำนึงคิดถึงเลยเรื่องปบบนี้ไม่ได้คิดคลงานความดีที่วันหนึ่งวันหนึ่งเราทำอะไรความดีมีในตัวงตนเท่าไหร่ เพิ่มขึ้นรลยหย่อนเพิ่มขึ้นทรงอยู่หรือว่าย่อนมันก็เก่าพิจารณานี้จะเลื่อยไปเป็นประโยชน์แก่ตนไม่เป็นประโยชน์แก่ปีเกิดื่นไม่เป็นประโยชน์แก่การเวลาเป็นประโยชน์แก่ตัวโดยเฉพาะเหตุนั้นนี่ว่าผู้ที่มีอุบายปัญญาผู้ที่ไม่ผู้ที่ไม่มีความประมาทแล้ว อย่าไปนึกคิดถึงเลยออกพรรษาก็ช่างเถอเข้าพรรษาก็ตามเถอไม่เป็นปัญหาทำคุณงามคนดีอยู่เรื่อยๆไปตลอดเวลาวันคือคืนก็ไม่ต้องคํานึงถึงมันปีเดือนก็ไม่คํานึงถึงเลยเอาแต่คุณงามคนดีนะเป็นผลประโยชน์ของตนทายเดียวน่อมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอันนี้เราเรียกว่ารีบทํารีบ ประกอบคุณงามความดีจะให้มีขึ้นในตัตนตนยังไม่พอเรายังทําคุณงามคุณงามความดียังไม่พอยังมากมาย เ, าเราที่จะต้องทําพิจารณาลองดูแต่เรื่องจิตของเราเถอะพอเรานั่งสมาธิภาวนาไม่สาบอะไรวุ่นวี่วุ่นวายโมดทุกสิ่งทุกอย่างของไม่เคยคิดเคยพิจารณาไม่เคยรู้เคยเห็ก็มาลุมล้อม มาอยู่ในจิต ท, ทันหมดเลยบางคนจนนั่งไม่ไหวเลยรีบออกเสียอมันกิเลียดมากนั่งพรานาเลยเกิียดมากความเป็นจริงไม่มากหรอกของน้อยนิดเดียวแต่เวลาเรานั่งทำความสงบเท่านั้นนะมันเห็นชัดขึ้นมาเลยของเล็กๆน้อยๆปรากฏขึ้นมาชัดขึ้นมาเลย ดูมันมากแท้ที่จริงมันมากกว่านั้นอีกของเราที่เราไม่เห็ น, น, นยังมากกว่านั้นอีกพอนั่งเราเห็นมันก็ปลาปลากฏดลุมลอ้ลอมลอ้ลอมลอุมล้อมเข้ามาดูก็เหมือนกับว่ามากนั่นแหะมันใกล้แล้่นั่นมันใกล้จะเห็นของจริงแล้่นั่นมันมีเท่าไหร่ก็ปรากฏดคือมานั่นเรารู้ชัดเห็นจริงว่ากิเลสมันยังมากมันมีเท่านี้เนาะ มไม่มากเท่าไ ห, หร่ดอกกมีเท่านี้แล้วส่นปรากฏกิเลสเกิดขึ้นมาในตัวของตนถ้ามันเห็นชัดขึ้นมาเราจะได้ชั่งะสาสางคันเราตั้งจิตคิดพิจารณาเฉพาะเรื่องอันนั้นจริงๆไม่ต้องส่งออกไปภายนอกเราจะเห็นชัดขึ้นมาเลยเอาชนะกันทันทีมีเท่านี้หรือหรอืขอให้มาอีกคอใเกิดอีกเถอะ มีกระแสความเกิดอีกเลยหยุดเลยกิเลสเลยไม่เกิดอีกนี่มันมากอย่างนี้แหละกิเลสมันมากคนที่ไม่คนที่ไม่คิดคนที่ประมาทเรียกว่า ม, มากคนไม่ประมาทแล้วมันน้อยลงไปเห็นอ้นุรพุทธเจ้ายังสอนในภาวนาภาวนาอย่างเดียวมีการละกิเลสหรือการภาวนาอย่างเดียว การทําบุญนําทานนั้นเป็นส่วนนอกภายนอกอีกส่วนหนึ่งที่ว่าความมัชจฉะจะหนีเนี้ยแน่นอยู่ในจิตใจองตนมันจะได้ปลากรดขึ้นมาให้สาระถอนลงไปเพราะความจะหนีเนี้ยทำใจให้เศรมองการสาระทําบุญทาทานจิตใจของใสนั่นบรรมดกิเลสตนนั้นน่ะมันไม่ใช่อื่นไกลกหลังมดกิเลสต้นที่ว่าจิตใจของใสเบื่บานนั้นแหละ การรักษาศีลก็เหมือนกันเ้าไม่ได้รักษาศีลมีแต่มัวเมาในการทำมาให้กินมีแต่หมัวเมาในคุกคีดสิ่งล้ำพวงมดจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสเลยไม่รู้จักว่าใจของเราอยู่ตรงไหนค้นหาว่าเราทํารักษาศีลเข้าไปจิตใจเบิกอบานผ่องใสขึ้นมาไม่ใช่ผ่องใสแต่จิตกายก็ผ่องใสออกมาเชิดด้วย คนที่รักษาศีลวิจัยผองใสหมดทั้งกายและใจเห็นชัดในใจเลยคนไหนถ้าภาวนาท่ารักษาศีลแล้วนิ ม, มแยเมแยมจยมใสพองใสหมดทั้งกายและกายใจงั้นเห็นชัดคือมาอันนั้นกิเลสตอนนั้นมันหายไปคราวนี้มันทำภาวนาอย่างอธิบายมาแล้วทั้งหากว่าภาวนาเขา มันลุมล้อมมาตั้งสิ่งต่งตางๆ ม, มาลุมล้อมมาเราเห็นชัดเลยอันนั้นอ๋อนี้กิเลสมีข้อนี้หรือคล้อยขึ้นมาคล้อยเกิดขึ้นมาอีกเถอะอันมีอยู่เท่าไหร่ก็เกิดมาอีกเถอะมันเลยหยุดจ้ะมันเลยหยุดเพียงแค่นนะั้นกิเลสมัเกิดดีความกล้าหาญอาถรรพ์ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจพใจิจารณาตั้งใจอบรมจิตของตนย่อมเป็นผลประโยชน์ ให้จิตใจพองใสสะอาดบริสุทธิ์โดยดดับเพราะฉะนั้นในการภาวนาเป็นการดีที่สุดที่จะละกิเลสได้อยู่ที่ใจแห่งเดียวอธิบายทังเรื่องใจนั้นยังอธิบายฟังอีกทีหนึ่งจิตมันเป็นเครื่องเศร้าหมองไม่พองใสใจยังเป็นเครื่องพองใสท่านบอกว่า จิตเป็นของพองใสสะอาดอยู่ตลอดเวลาจิตตังวพัฒสร่งจิตเป็นของผย่องใสทุกเมื่ออคันทุกเกณกิเลสเกียกิเลสเป็นของจอดมาท่า น, นทานวางอันขานี้พูดถึงเรื่องจิตเรื่องใจใจเป็นของสะสมกิเลสวุ่นวี่วนวายมดคือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งสรภภารพัดทุกอย่างนะเรียกว่าจิต ถ้าหากว่าเพิกถอนนั้นออกเสียเอาละไม่คิดหละการนี้ไม่คิดไม่สงสัยไม่ปรุงมาแต่งละมันก็ยังเหลือแต่ใจใจมันก็ของใสสะอาดเราต้องการหาตรงนั้นใจเป็นของเฉยๆวางเป็นของกลางๆอยู่ในที่ท้ำกลางสิ่งห์นกหวงมดนั่นะตัวใจ สิ่งที่เป็นอยู่ของต ก, กลางเรียกเขาเรียกใจใจค้นก็เรียกที่เข้ามาที่ทํากลางหนะ้าอกนี่แหละใจมือก็ทํากลางใจมือนี่ยที่ตรงกลางนี่แหล ะ, ละเรียกว่าใจใจเท้าใจอะไรต่างใจไม่ใจไรอะไรน่ะตรงกลางเรียกว่าใจนั้นไม่มีบากไม่มีบุญไม่มีส่งนอกสรงในไม่รู้สึกอะไรเลย แต่วรู้สึกตั ว, ตวมันเองแต่ไม่นึกไม่คิดตัวผู้นั้เรียกว่าตัวใจเข้าถึงตัวใจนั่นแ่ะให้เข้าถึงบ่อยๆมันยังจะรู้ใจถ้าหากว่าไม่เข้าถึงใจแล้วมีแต่จิตคิดวุ่นวายแต่เพียงจิตนั้นไม่มีการทําไม่มีความสงบไม่เปลี่ยนสมาธิสัก ท, ทีให้เข้าถึงใจ บ, บ่อยๆมันยึงจะเป็นสมาธิ เหมือนกันกับ น, น้าก็เหมือนกันที่มีสีต่างต่างือที่เขาเอาสีผสมเอาสีแดงผสมมันก็เป็นแดงไปเขาเรียกน้ำแดงสีดำาก็เรียกน้ำดำสีเขียวสีอะไรก็เขาเรียกตามนั้นเรียกเรียกตามสีน่ะเขาเรียกน้ำเขาเรียกน้ำแดงน้ำดำหรือบางคนมาเรียก เราเรียกน้ ำ, ำําเรียกสีแดงสีดำไปตามเรื่องแต่ความเป็นจริงแล้วน้านั้นอยู่คงที่หากว่าคนไปกลั่นกองเอาน้านันออกมาจากสีแล้วจะใสตามเดิมสีเป็นอีกอย่างหนึ่งน้ำมันเป็นอีกอย่างหนึ่งจิตใจของเราก็เหมือนกัน กิเลสมันซ่าสมมันตัวจิตทั้งนั้นมันซ่าสมเรียกวาอาการตะกานตุการา ก, ารกาิเลสมันเกิดขึ้นมามันมาซ่สาสมใจเราเกลืไม่รู้จักใจกันนี้รู้จักที่สีเท่านั้นรู้จักแต่จิตเท่านั้นค้นหาว่ากั้นกองออกไปแล้วจะใสสะอาดติดตามดึมธรรมชาติของน้ําแท้ต้องเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของจิตของใจก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนการทำภาวนาทั้งจะมีที่มีทางเดียวเท่า น, นั้นนะเจ้าทาใจให้ฟองใสสะอาดบริสุทธิ์แต่ว่าขั้นตอนฟองใสบริสุทธิ์แล้วข้าวนี้ต้องให้รู้จักรักษาอีกถ้าไม่ทําบ่อยๆรักษาไม่ได้ไม่ชำีชํานาญเดี๋ยวก็เสื่อมหมดเสื่อ ม, อมแล้วก็คว้าหาไม่ไม่ไม่เห็นอะไรแล้วตัวใจแท้เลยเลยห ล, ลงลืมไปหมดเลยได้แต่จิต เหตุนั้นยังค่อยทําบ่อยๆวันหนึ่งวันหนึ่งเราต้องทําให้มันรู้จักว่ามันหมดไปเท่าไหร่แล้วมันสงบสักเท่าไหร่แล้วมันถึงใจหรือไม่ในวันหนึ่งวันหนึ่งให้พิจารณาตนเองอยู่แต่นี้อย่างนี้ตลอดเวลาอันนั้นเดี๋ยค่อยเป็นคนดีขึ้นมาได้แอลละทั้ง